ข้อ10บเทพบดนั้นยืนณส่วนข้างหนึ่งอย่างนี้แล้วเห็นเทวดาและพรหมทั้งหลายในหมื่นจักรวาลผู้ประชุมกันในจักรวาล น, นี้ด้วยความประสงค์จะฟังมงคลปัญหาจึงเนรมิตอัตภาพอันละเอียด10บ้าง20บ้าง30บ้าง40บ้าง50บ้าง60บ้าง70บ้าง แปดสิบบ้างขนาดเท่าโอกาสปลายสุดขนสายเส้นหนึ่งยืนแวดล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประทับนั่งบนบรวรพุทธาฏที่เขาปูราดไว้ทรงเปล่งปลั่งล่วงเทวดาและพรหมเหล่านั้นทั้งหมดทราบด้วยใจถึงความปริวิตกแห่งใจของพวกมนุษย์ ชาวชมพูทวีปทั้งสิน้นแม้ผู้ไม่ได้มาในสมัยนั้นเพื่อจะถอนลูกศรคือความสงสัยของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทุกจำพวกจึงทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะเหตุนั้นท่านพระอานน์จึงกล่าวคำว่าเอกมันตังทิตาโคซาดังนี้เป็นตน้น